Uh, ฟังเทศเช็คเล็กน้นอยพอหอมปากหมอมคอนัโมตัดซาพระค่าวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานัโมตัดซาพระค่าวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานัโม ถาภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาชาสัจจะปรามีสัมปนโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะอุปปลามีสัมปนโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปรมัธะ พลามีสัมปันโนอิติปิโชภะขาว า, าิตินาบดีอย่าได้เตือนลูกหลานญาติพี่น้องทุกคน <c oughs> เราทุกคนให้มีชัจจะในใจของตนเช่นเรานับถือพุทธศาสนา อันนี้ว่าให้ชักจะความจริงใจอยู่ตลอดกันไปอย่าไปลุ่มหลงงมายเรื่องอย่างอื่นอันนี้พูนเีย ว, ว่าชักจะความผูกมั่นในใจของตนชักจะสองที่ตัวของเราทุกคน สมบัติว่าจะไปวัดไปวาเป็นประจำของตนอันนี้เรียกว่าชัจจะความผูกใจของตนให้ดีชัตยะสามตัวของเราว่าให้มีศีลคุ้มครองตนของตนอยู่เสมอตลอดไปอันนี้พิเศษว่าชัด จ, จะ ความผูกใจของตนไว้ชัดเจไหว้พระเสาร์เย็นทุกวันทำความดีเพิ่มเติมบารมีให้แก่จิตของตนตลอดไปอันนี้พระเลยว่าชัจเจความจริงใจในใจของตนทุกคนชัจเจที่ตนของตน นับถือพุทธศาสนาไม่นับถือลทัทธิต่างๆประการใดผีสางมลางดงประการใดไม่เกี่ยวข้องอันนี้พันเน ว, ว่าสัจจะตนของตนผู้ถือมั่นตั้งใจของตนรักษาอยู่ในสัจจะ ความจริงใจของตอนตลอดไปเพราะฉะนั้นสัจยังเวอมตังวาจาอิสาธรรมโมชนันตโนความสัจจริงใจเป็นธรรมะผูกใจของตอนอยู่ตลอดเป็นนิจการเราทุกๆคนเป็นคนที่บุตรชน ไม่ตั้งใจเทไม่มีชัดจะเทะไม่ได้ความลังเลความสงสัยว่าวีไปมาอะไรไม่รู้เรื่องอันนี้พระแนวว่าคือใจยามทานมีหลักบุคคลที่ใจมีหลักมันคงแล้วเช่นพระอริยะเจ้าทั้งหลายรู้จักได้ว่า ธรรมะของพุทธะและพุทธะหรือธรรมะของพุทธะพระอริยสงฆ์เหล่านี้เรียกว่าเป็นสลณนะที่พึ่งอันจริงใจของบุคคลเกิดมาพบปะบุคคลนั้นได้สลณนะความจริงที่สุดพรนะนให้เราทุกคนจงคิดนึกว่า ตัวของเราที่เป็นบุตรชนอย่าให้ดุ่มหลงงมงายในสิ่งที่หาสละประโยชน์อะไรไม่ได้ในใจของตนเราทุกทุกคนนั่นเองยังจะเกิดอีกต่อไปในโลกอันนี้หลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นในความที่ถือสัจจะ อันนี้พันเรียกว่าเป็นสาณะมั่นคงในใจของตนพบใดชาติใดพระการใดตนของตนกะเป็นคนผู้รู้จักดีชั่วพระการใดใดไม่เป็นคนงมงายพระการใดในชีวิตของตนให้เราทุกคนจบชึกตนของตนจงฝึกฝน ให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยในสรารนะพุทธชลณนะธรรมชลณณะสังฆสรลาณะอันนี้แปลว่าสราณะท้งสามประการนี้เป็นผลประโยชน์ให้เกจิตของตนตนค้นตนจึงได้ขึ้นชื่อว่าจิตได้รับผลประโยชน์ความดีคือคุณสมบัติ อันดีในหนทางแห่งความผลทุกข์ต่อไปภายข้างหน้าเนียวนี้ตัวของพวกเราทุกคนที่ยังเป็นบุตรชนอยู่ทุกคนนาที่จะได้เกิดในโลกอันนี้อีกหลายภพชาติกว่าเราจะเป็นผู้ที่ชัยชนะ สิ่งความชัว่วดาใจจึงจะได้สำเร็จมกผลให้เราทุกคนจงคิดอ่านเชื่อว่าเราฝึกผลให้เป็นชรณะอันดีที่ที่ชุดในโลกพดตัวได้เราได้ช น, นะอันดีที่ชุดในโลกแล้วยังก็ได้ขึ้นชื่วเราได้แก้วทั้งสามประการพุทธธรรมสมังฆะ ดันเรียกว่าเป็นตลนะอันดีเป็นเก้วอันดีที่สุดที่เป็นหนทางส่องต่อไปของเราไปข้างหน้าเราจึงจะรู้จักว่าหนทางมรรคผลไปทางไหนเป็นอย่างไรรู้จักผัวในตนของตนตลอดไปนีใ่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่า เราเป็นบุตรชนบัดเดี๋ยวนี้เรียกว่าเราอย่างมืดเรายังไม่รู้จกักผลทางความดีและความชั่วเรายังไม่รู้จักว่านาลกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนความดีและความชั่วประการใดๆอันจะเกิดให้กใจของเราประการใดยังไม่รู้แน่นอน ภายในใจของตนทุกคนจึงได้ขึ้นชื่อว่าเราเป็นบุตรชนเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดนะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์จะเข้าใจว่าเราจะเป็นมนุษย์ต่อไปอีกทุกภพทุกชาติหาไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นเปรตเดี๋ยวก็เป็นผีเดี๋ยวก็เป็นเท ว, วดาเดี๋ยวก็เป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เป็นสัตว์เต่ลสาร อันนี้เพ้นแล้วอ่ะคำที่แม่หน่อยแน่นอนชัดจะในใจของเรามั่นคงยังไม่ทันเพียงพอผู้ที่รู้จักภาวะมีชัดจะความจริงใจแล้วเขาไม่เป็นไปอย่างอื่นนอกจากเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาอยู่อย่างนั้นตลอดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดไปเป็นนิสอันนั้นเรียก ว, ว่าจิตบุคคล ผู้ได้ชะะนะอันดีอยู่ตลอดปินนิจาการให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนขงตนทุกคนที่เราเป็นบุตรชนอยู่ในเวลาบัดเนี๋ยวนี้สัตว์ดิบสารทั้งหลายมันเคยเป็นมนุษย์อยู่นะเปรตผีทั้งหลายมันเคยเป็นมนุษย์อยู่นะให้เราคิดอ่าน ตัวของเราเนั่นเองหน้าที่อันจะไปม่อน้าหลายภพชาติตายเกิดตายเกิดในโลกชีวิตที่เราพิศพลาด ช, ชีวิตนั้นแปลว่าเราสัมคมพบฝ่าคนผ่านมิจะเรื่องความมืดให้จิตของตนตลอดไปเป็นนิดจึงได้ขึ้นชื่อว่า ชีวิตที่จะเป็นไปนั้นเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีตกนรกชีวิตยอย่างนั้นพบพระคนผ่านชักจูงไปในทางที่สิ บ, สบหายให้แก่สมบัติความดีของตนประการใดๆนี่ละให้เราทุกคนจงคิด่านว่าการถือสักจะความมั่นคงแข็งใจของตนยุตลอดไป จึงได้ขึ้นเชื่อเราเป็นคนผู้มัน่นคงเป็นคนผู้มีสัจจะเป็นคนผู้ตั้งมัน่นเป็นคนผู้รู้จักความดีเป็นคนผู้รู้จักว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอยู่จนตลอดไปในชีวิตการเกิดมาไม่พบว่าสมั้พบว่าสมคมกับคนทานประกันใด ยังได้ขึ้นจวัตถุถชัดจะแล้วเป็นของมั่นคงที่สุดในชีวิตของตนที่อาตมาได้แสดงอธิบายเรื่องชัดจะเตือนพวกเราทุกคนให้เป็นคนมั่นคงตลอดไปเป็นมนุษย์เทวดาที่ชัดแดงมาพอทรงควร อายุวัฒคโกธนวัฒโกสิวัฒโกยจวัโกภัะวัฒโกวัณวัฒโกสุวัโกโหตุสัพาอายุวักานวักาิววัฒกาเวักาภวัฒกาวัวักาสุวักาโหตุสัพาอายุวันโนสุขังลัง ตั้งใจของตนพยายามท่องความดีของเจ้าของเล็กกว่ชนน้อยกว่าโตของเราทุกทุกคนจะได้ชำระมรรคผลไม่ใช่เป็นคของได้ไง่ายๆนะให้ตั้งใจของตนตลอดไปชีวิตนี้ เป็นชีวิตที่ดีของเราควรจะทําความดีให้มากเพราะว่าเราเกิดมาแล้วผู้สมบูรณ์ในสารีละร่างกายช่องตัวของเราได้พบปะพุทธศาสนาธรรมะของพุทธะที่ได้วางไว้แล้วชิ้นของพุทธะที่ได้วางไว้แล้ว หัวของเราได้พบปะได้ฉลับหลับฟังใตั้งใจระลึกเฉว่าชีวิตนี้โจรเรามีคุณค่าอดีตแล้วได้ทำความดีของตนเพิ่มเติมบุญกุศลให้เก็กิตของตนตลอดไปหน้าที่ของพวกเราจะได้เป็นนิจัยสินปัจจัย จะได้พบพระพุทธเจ้ออาพระอรหันต์ปัจเจกับกุศลพระฤาษีโยคีผู้ที่ทำความดีพะเรามีนิสัยปัจจัยได้สะสมสมบัติความดีให้ที่จิตของเราโฆษณะให้เราคิดนึกเกี่ยวว่าในชีวิตนี้ให้พากันตั้งใจคงตนพนยายามทำความดี ตัวของเราทุกคนหน้าที่ยังจะเกิดอีกต่อไปในโลกจากที่พบจากที่ขาดกว่าเราจะชัยชนะใดจึงจะได้สำเร็จมักคนลขัน้ายังชนะไม่ได้แต่ว่าไม่ได้สำเร็จมักคลเดี๋ยวนี้พวกเราตั้งใจในการสัมทัก แปลว่าทําจิตของตนให้สงบตั้งจิตของตนให้ตั้งอยู่ใดพึกบฝนจนของตนตลอดไปในการที่เราเกิดมาพบป่ะแล้วธรรมะของพุท ธ, ธะที่ได้วางไว้แล้วประการใดอย่าให้เขีเวลาอย่าให้หายใจเขีเปล่าประโยชน์ ให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นให้จิตของตนทุกคนหน้าที่ของเราทุกคนจะได้รับความสุขความสบายในชีวิตของตนได้พบศาสน า, า, าพุทธแล้วพราะะนาให้เราทุกคนหยุดคิดอ่านว่าวันเดียวนี้ตัวของเราไม่ได้ล่มหายตายจาก เมื่อเราเป็นคนหนุ่มเป็นคนน้อยเดลี่เป็นคนแก่แล้วยังมีชีวิตอยู่ไอรีเปล่งคนขายความดีของตนเพิ่มเติมต่อไปในชีวิตของตนบุญกุศลของบุคคลผู้มีกำลังมากบุคคลนั่นทำจิตของตนให้สงบได้ดีจิตของตนไม่ฟุ้งซ่าน บุคคลที่บุญกุศลของตนยังไม่แรงกล้าบุคคลมันต้องคิดผูกจ้างจิตของตนแปลว่ามันอยู่ได้ยากนี่จะให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าการพักไ่อยในขยาันยาสะสมบุญกุศลให้เป็นผลประโยชน์ให้ก่จิตของเราตลอดกั้นไป ตัวของเราคืออะไรคือจิตของเราล่างกายอันนี้แปลว่ามันเกิดโชคเรามันก็ร่อยหล่อตรงไปไม่มีประโยชน์อะไรชักอย่างเดี๋ยวนี้แปลว่าจิตของเราเป็นผู้ถือล่างกายอันนี้เป็นที่ทำความดีคันถ้าเราไม่มี ร่างกายกดค่มความดีไม่ได้ไอเราคิดอ่านให้ดีจนคงสนทุกคนพวกคิดไปชูสวรรค์บุญไม่เกิดบาปไม่เกิดมิจะชวยผลของตนในสัพพมเมลเลวเมืองมนุษย์พวกคิดไปเป็นเปรดเป็นผีไปตกนรกบุญไม่เกิดบาปไม่เกิดม่จะชวยผลความทุกข์ของตน ได้สะสมมาแล้วในเมืองมนุษย์เป็นชัดทิงเดอกสารไม่รู้ภวะความดีความชั่วประการใดไม่จะเรื่องการความอยากทิ้งกรอบวครองตายเท่านั้นและไม่ได้บุญไม่ได้บาปไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างในชีวิตที่เป็นชัดเอกสารใจมันก็อันเดียวกันนั่นละ่ะเมื่อเป็นมนุษย์ แปลว่าอยู่ในรูปร่างของมนุษย์เมื่อเป็นสัตว์เดรัจฉานจะ อ, อยู่ในรูปร่างขอ ง, ของสังขอตว์เดรัจฉารเมื่อเป็นสัตวูใหญ่เช่นพวกช้างอย่างนี้เป็นตน้นใจก็อยู่กับรูปร่างนั่นเองเมื่อเป็นสัตวที่ใหญ่ที่ชุดฟ้าวานอยู่ในแม่น้ํามหาสมุทร ใจมันก็อยู่ในปวาวานรักษาปราวานตลอดไปอันนี้ให้เราทุกคนบุคคลผู้ที่เพิ่มกำลังของจิตได้เกโถกพลุญงีเนี่ยวปีทำองค์ชานปรมมาชานชุดิี่ชานตาที่ชานจกุ้ทีช่าชา น, า น, ตาตา น, านอันนี้เพิ่มกำลังของจิตและตัวของเขาอีก ได้กระชินชานอีกเตโชตินังวาโยสินั ง, นงอาโปตินังปัทถวีตินังอากาชาันจากพันนังโลกาตินังอันเหล่านี้แปลว่าเป็นเครื่องบำรุงให้จิตมีกำลังสามารถยกสารีละร่างกายทานไปได้ฤืี่เนี่ยวกีพระอริยเจ้าทั้งหลาย อันนี้เราเรียกว่าเพิ่มกำลังของจิตคือธรรมะทางหลายบุญกุศลเพิ่มกำลังให้จิตมีกำลังยกร่างกายไปได้ตางความสบายใจเดี๋ยวนี้ของพวกเราบุญมีอยู่นิดหน่อยบาปที่อยู่มากด้เหตุการณ์ใดวา บุญของเราความยินดีพอใจในการรักษาศินไหว้พระสวดมนต์ทำความดีของตนแต่ว่าธรรมทักกรรมฐานของตนยังไม่สงบใดดีดยังได้ขึ้นชื่อวบุญของเร า, าน้อยบาป ก, กรรมของพวกเราคือความโช์ใดเยยความฟุ้งจัน กิกใจของตัวเราทุกคนหาความสงบได้ยากอันนี้เป็นเหยกว่าบาปมันยังมากให้พุกพาการคิดอ่านว่าโัของเราตั้งแตพัฒเกิดมาตลอดถึงกระละปัจจุบยนนี้เราเท่าเพิ่มอะไรมากให้คิดอ่านดูเรื่องเหล่านี้ม่แต่เรื่องของเราเพิ่มความโช่ลงมาเป็นเด็ก มิจิการเล่นเป็นคนใหญ่มิจิการเพลิดเพลินเป็นคนมีครอบครัวมิจิกความกังวลวิ่งเต็มบุญบาไม่เข้าใจขอให้มีการไล่ใจเท่านั้นเองเท่าเก๋มาแล้วพวงเพราะว่าิห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ตลอดไปอันนี้แหละคนว่าเรียกว่า มิจะเริ่มเพิ่มความชั่วให้กิจของตนตลอดไปให้เราคิดอ่านพิจารณาตนของตนทุกคนในเวลาปัจจุบันตัวของเราทุกๆคนนั่นเองชีวิตได้เพิ่มบุญกุศลในมาทุกคนนิสัยปัจจัยของตนตลอดไปเมื่อพบว่ากับผู้เดกเจ้าบุญกุศลในมา เมื่อพบพระอาหารหันต์ทั้งหลายบุญกุศลได้มากพบพระกระษิกับุษะทั้งหลายบุญกุศลได้มากพบพระฤาษียโยคีทั้งหลายบุญกุศลได้มากอันนี้แปลว่านี่ใส่ทุกผลกันมาแล้วตั้งเตอเนกชาติพบว่าอย่างนั้นแล้วเกิดปีติเกิดความยินดีตนคงตนพยายามสรับฟรรพังตนคงตน พยายามกับไวช克ะบูชากายกรรมวสีกรร ม, มโมกกรรมวัตถุกรรมประการใดมิจะเรื่องเป็นกรรมความดีให้กิตของตนทังนั่นอันนี้ละให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าชีวิตที่ได้เพิ่มบุญกุศลในมากทุกคนุกคนมาแล้วเป็นนิสัยพบว่าปุตตะเจ้าพระลานตัางหลายประเจกพุทธะตนกของตน แปลว่าได้รับบุญกุศลคุณใหมากพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่ได้ชม็จไปแล้วนั้นผ่านพระพุทธเจ้ามาจากกี่ร้อยจากกี่พันจากกี่หมื่นจากกี่แสนจากกี่ล้านพุทธะพยายามหาพิธีเก็บบุญกุศลให้กิจของตนชีวิตที่เกิดมาไม่พบความบัติดชีวิตนั้นมิแต่เพิ่มความโจ้ให้กิจของตนตลอดไป นี่จะให้เราทุกคนจงคิดอ่านบัดเดียวนี้แปลว่าให้เราทุกคนนั่งเข้าที่ภาว น, นาระลึกถึงใจของตนอยู่เสมอเมื่อลึกมาอยู่ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องจดจอ่อให้รู้ภาะวะว่าใจของเรา ล, ลึกมีอยู่ตลอดเป็นนิสนี่ะให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนในชีวิตวัดเดียวนี้ จึงจะเป็นผลประโยชน์ความดีของตนตลอดไป